แล้วถามว่ายากกว่าบวชมีอีกไหมบอกมีบอกอะไรมีใจยินดีกับการบวชเขาว่า้นไอ้ที่มีใจยินดีมีความสุขกับการบวชนี่มันยากเขาว่าไงไอเอาบวชร่างกายมาจาับโกลนผมห่ผมผ้าเหลืองทำไม่ยากแต่ถามว่ามีความสุขกับการบวชจริงๆเนี่ยยากถามว่าทำไมยากเพราะว่าอารติมันเกิดขึ้นอารติคือสภาพจิตที่ไม่น้อมไปเพื่อเจริญกุศล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 อันเว้นไว้แต่ว่าออ่ทําแบบเล่นๆนะแบบเล่นกีฬาไปปีกอลอะไรว่างๆถ้าเกินกิจกรรมเจริญประเภทว่างๆเ ง, งาๆอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเจริญเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่สามารถหาความสุขจากกุศลธรรมได้บอกได้เลยว่าเจริญได้ไม่นานและก็เจริญได้ไม่ทนเน่ยนะเจริญได้ไม่โดยที่ไม่มีความ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 แล้วได้ปราโมทปีติในกุศลธรรมได้บ่อยๆเรียกว่าอนาคตไกลเพราอนั้นแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เฉาลงทุกวันวันแรกก็มีศรัทธาร้อยหนึ่งวันที่สองเหลือเก้าสิบเนี่ยนะวันที่ก็ลดลดลดล ด, ลดไปเรื่อยๆก็หาเหตุผลว่าจะลาออกได้ยังไงเหมือนนนะกําลังกําลังหาข้อมูลเอ้จะลาออกได้ยังไงก็แสดงว่าแห้งแล้งอับเฉาเต็มทีอยู่แล้วคนที่ศึกษาถ้าทําหลายๆคนก็เป็นลักษณะนั้นก็เพราะว่ากุศลจิตไม่หนานแน่นพอ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 ทำพกกรัพย์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำพกกรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเกิดการใช้จ่ายดูแลพกกรัพย์โดยที่ไม่เสียหายชีวิตจะได้เป็นสุขครอบครัวก็จะได้เป็นสุขอันนั้นคือหลักการที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์มีอยู่เท่านั้นทีนี้ถามว่าแล้วในทางธรรมของเราที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราจะได้อะไรดูแลอะไรรักษาอะไรเนี่ยนะ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 เอาปืนยิงกระจายหมดอ่ะแต่ทีนี้ว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบนั้นตัวนิดเดียวเนี่ยนะบางที่ต้องหาผ้าปิดจมูกไว้ซ้ําใบมันเล็กขนาดนั้นนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันใดอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะพระอมตราสว่าอัพลาอับพลาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีกําลังอะไรหรอกมันเป็นของเล็กน้อยอ่ะแต่ทีนี้ว่าเวลามันท่วมทับครอบงําจิตใจแล้วมันอยญ่เนี่นะการมาฉันทะพะยาบาทีทนะมิทธะอุทะจัก วิจิกิจชาอาวิชาและความไม่ยินดีในกุศลธรรมที่เรียกว่าอารติเนี่ยนะมันเป็นกอกุศลที่ค่อนข้างร้ายกาจมากท่านคือตัวมันเองเล็กก็จริงแต่มันเข้าไปสิงแทกในใจเมื่อใดก็เดือดร้อนนะนะทีน่ามิท่าตัวมันเองไม่ใหญ่หแต่พอมันเข้ามาปั๊บมันทำให้นั่งง่วงอย่างเดียวไงท่านต้อง เจริญอให้ให้กุศลธรรมตเต็มเปี่ยมไม่ว่ากุศลธรรมที่เกิดจากเนคขมมะความไม่พยาบาทอโลกสัญญาเอ่อความไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็การกําหนดธรรมยานและปราโมทกุศลธรรมทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะนี่ในคําว่าภาวนามีอยู่คำหนึ่งบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันเพราะในขณะที่เนคขมมะอินทรีย์ต้องมีกิจอันเดียวกันจึงจะละกาณาฉันทะได้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 อุทจจะได้อินทรีห้านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำกิจเป็นอย่างเดียวกันจึงจะสามารถละวิจิกิจชาอานะันนี้อินทรีห้าที่เกิดร่วมกับปัญญาเนี่ยนะก็ทํากิจอย่างเดียวกันจึงจะละอวิชชาได้อินทรีห้าที่เกิดร่วมกักบปราโมทนะทํากิจอย่างเดียวกันจึงจะละอารติได้นะผู้ใดที่บริหารใจให้เป็นไปกับกุศลธรร ม, รรมทั้งเจประการเนี่ยนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นภาวนานะตัวเนคขมมะตัวความไม่พยาบาทตัวอะโลกสัญญาตัวความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมตัวญานะตัวปัญญาตัวความปราโมทปราบเพิ่มในการเจริญกุศลธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นภาเวตปรธรรมเนี่ยนะเป็นปรธรรมที่จะต้องต้องเจริญต้องเจริญเจริญที่ไหนก็เจริญในในจิตใจคำว่าเจริญเนี่ยคำว่าเจริญเนี่ยโดยสัมก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าดมรงอยู่ใช่ไหม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 จากศรัทธาที่เกิดไม่บ่อยให้มาเกิดบ่อยๆที่เกิดแบบไม่ค่อยมีคุณภาพก็มีคุณภาพยิ่งขึ้นเนี่ยนะที่เป็นคุณภาพเล็กน้อยก็ให้เป็นคุณภาพใหญ่ยิ่งขึ้นจาก ส, สังขาร็กก็กลายเป็นอสังขาริกจากไม่มีความมั่นคงก็กลายเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเนี่ยนะนั้นพวกกุศลธรรมเหล่านี้ ที่ที่เจริญยิ่งขึ้นลักษณะนี้นี่แหละเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเรียกว่าภาวนาบ้านคำว่าภาวนาไม่ใช่มา น, นั่งกล้องหรือนั่งบนเรียกชื่อใครสักคนให้มันยาวๆก็ไม่ได้แปลว่าอย่าแปลว่าภาวนาภาวนาหมายความว่าการพอกพูนเจริญงอกเงยแหงกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือพูดอีกในหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเจริญภาวนาถ้าเจริญปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าเจริญพุท ธ, ธิทางวิญญาณว่งนั้นคือให้ปัญญามันโตขึ้นโตขึ้นให้มันฉลาดขึ้น ถ้ามันฉลาดเท่าเดิมนี่ก็แย่นะมันก็ต้องฉลาดขึ้นโตขึ้นแม้กระทั่งความเพียรในการกําจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันจะต้องเจริญเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเทั้งการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เราต้องหมั่นตรวจสอบเหมือนกันเพราะคําว่าภาวนาอย่างอัตสุดท้ายนั้นบอกว่าเสพเป็นอันมากทั้นคําว่าเสพเป็นอันมากนั้นหมายคือว่าก็ดูว่าเราเจริญได้บ่อยขนาดไหนในชีวิตที่เป็นจริงเ่ยนะชีวิตที่เป็นจริงเจริญได้บ่อยได้ไหม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 แล้วก็แปลว่าตกต่ำเนี่ยเรียกว่าภาวนาได้ยังไงก็เรียกอะไรกันเนี้ตรงกันข้ามกับภาวนาก็คือไม่ใช่ภาวนาก็แปลว่าลดลงนะก็เรียกว่าลดลงคั้งก็ต้องวัดทุกๆแม้กระทั่งว่าโดยธรรมดาต้องวัดทุกเสารอาทิตย์อันนี้ก็เรียกว่าพูดไปจริงๆกันนี้ค่อนข้างยาบพอสมควรนะนะแม้กระทั่งว่าเออเนี่ยเราก็ดูว่าปฏิสัมพิทาฟังเมื่อครั้งก่อนกับครั้งนี้ถ้าฟังครั้งนี้ไม่ได้เข้าใจเพิ่มกว่าครั้งที่แล้วเอ้มเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็แปลว่า มันขาดปุ๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนะนะมันปรุงไม่ถูกสูตรแน่นอนนะ่ะต้นไม้มันจึงไม่โตปัญญามันจึงไม่โตกุศลธรรมจึงไม่เจริญงอกงามหลังการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าอุย้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ยถ้านพระโสดาอะไรนะอรหัตผตลยังไม่เกิดอย่าคิดว่าพอเพราะคําว่าคิดว่าพอในใจเกิดเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตกโน่นนะอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแนละ้ว